ب م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ا ل ح م د ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل ع ا ق ب ة ل ل م ت ق ي ن و ل ا ع د و ا ن ٍ إ ل ع ل ا ا ل ظ ا ل م ي ن و ص ل ِ و َ ص ل م ع ل ى ّ ع ش ر َ ا ل أ و ل ي ن و ا ل ْ خ ِ ي ر ِ ي ن َ ن م ب ِ ي َّ ن ا مُحَمَّدٌ و ع َ م َ ى ع َ ا ل ِ ي ه م و َ ص َ ح ْ ب ِ ه م و َ م ا ن ْ ت َ م ع ن ه ُ م ب ِ ع َ ص َ ا ل ٍ إلَّا م ِ د ي ّ ي ن َ ثُمَّ مَعَمَدَانِ ا ل บรรยากาศนั่งเดิมครงการเรียนรู้อักุรอานพี่น้งองคงจะไม่รู้สึกถึงความมิ่งใหญ่เนี่ยมาของโลสุภาณอวตารเลยที่พระองค์โปรดประทานความปลอดภัยให้เราดำรงชีวิตอย่างปกติสุขนอนนอนนอนในบ้านตึกไม่สัน่น มันเป็นเรื่องอชินกันชินกันแหละแต่ที่ประเทศตรุรกีเนี่ยทุกคืนเลยเขาหวังเขาหวังว่าจะมีไหมแผ่นดินไหวเกิดวันจันทร์ 6, ที่หกกุมภาพันธ์ที่สิบเนี่ยอัปต์ช็อกเนี่ยสองอาทิตย์เลยนะยังมีอีกระแรงด้วยแรงสะเทือนของมะวาน เจ็จุดห้านียเออพี่น้องทีมงานที่นู่นนะเขาาคนเล่าบอครอบครัวหนึ่งนะที่เขาอพยพจากเมืองอัมตะเกียเนี่ยอันตะเกียที่แรงที่สุดนะนะเมืองไม่เหลือเลยนะเมืองไม่เหลือไม่เหลือไม่เหลืออาคารที่สามารถอาศัยอยู่ได้ เระฉะนั้นที่นุ่ก็ไม่มีไม่มีโรงแรมไม่มีไฟไม่มีน้ําไม่มีอะไรเลยสาธารณูปโภคของของพื้นที่เนี่ยมันก็พังยับไปหมดคนเขาก็ต้อง อ, อพยพไปที่อื่นครอบครัวหนึ่งไปอยู่หอพักนักศึกษาหอพักนักศึกษาเนี่ยก็จะมีเตียงสองชั้นนึกออกปะเตียงสองชั้นนี่มันมันก็มีเสียงอี กลางคืนนะคนที่นอนอยู่ข้างล่างนี่ก็ก็จะลุกขึ้นบ้างก็เสียงเตียงมันงก็จะมีคนข้างบนนี่ตื่นผวาเลยนึกว่าแผ่นดินไหวมันไม่ใช่เรื่องคํานะมันเป็นเรื่องที่เปนที่น่าสงสารมากว่าชาวบ้านเดี๋ยเขาได้ถึงจุดที่อเออรู้สึกชีวิตชีวิตเขาไม่ไ ม, ไมีไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกกับพี่น้องเรมาเทียบกับชีวิตของเราที่มีความ มีความปลอดภยัยมีความปกติสุขแน่นอนที่นู่นที่รับผลกระทบนี้ก็มีทั้งมัสยิดด้วยมัสยิดหมดแหละอาคารหมดเลยโดนหมดเลยสิ่งที่คนบ้านเราคนไทยเนี่ยก็จะไม่ไม่คยไม่คยสันทัดไม่เคยเก็ิดในภัยพิบัติ ของแผ่นดินไหวเนี่ยเพาบ้านเราเนี่ยก็จะแรงที่สุดบ้านเราเนี่ก็สึนามิอันนั้นแรงแรงสุด ล, ละพอถึงบ้านเราเนี่สึนามิก็ยังไม่แรงเท่าที่อินโดนะสึนามิยังมงไทย น, นี่ก็ยังถือว่าเบาวกว่าที่อื่นความรุนแรงของภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงภัยพิบัติช่วงภัยพิบัตินี่ คือ <c oughs> ตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันซึ่งขณะไปพิบัตินี้ก็จะมีสามประเภทนั่นและประเภทที่เสียชีวิตไปเลยนะและประเภทที่บาดเจ็บนและประเภทที่ปลอดภัยแต่หลังจากไปพิบัตินนะหลังจากไปพิบัติมันมีภยัยภัยของความรู้ ข้อมูลรู่แม้กระทั่งคนที่เสียชีวิตนี้ก็แล้วไปใช่ปะคนที่บาดเจ็บนี้ก็มีมีความเจ็บปวดของตัวเองที่ทำให้อาจจะไม่ต้องสนใจกับคนอื่นแต่พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยนั่นะข้อมูลมามาแล้วข้อมูลญาติคนนู่นก็ตายลูกคนนั่นก็เสียธุรกิจของคนนี่ไม่ไม่เหลือแล้ ว, ลวอันนี้ข้อมูลที่ม นี่นีเป็นภัที่มันยิ่งกว่านั้นคนที่เสียชีวิตในใ น, ในแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยก็ไม่ใช่น้ํามือของของแผ่นดินไหวนี่นิดเดี๋ยวนี้เขาแทบเอกชนแล้วนะลำพังแผ่นดินไหวเนี่ยไม่ทําให้คนตายนอกจากว่าถ้าแผ่นดินมันจะแยกเกิดธรณีสุกธรณีสุกแล้วก็ คือซุดไปในซุดไปนิดในแผ่นดินเนนใต้ดินแล้วก็ถูกกบถูกฝังไปเลยนะซึ่งยากที่จะเกิดขึ้นแบบนี้แต่ส่วนมากที่เสียชีวิตนี่ก็เสียชีวิตใต้ซากอาคารซึ่งส่วนมากก็ถูกสร้างด้วยมาตรฐาน <c oughs> ด้วยมาตรฐานที่ไม่ไม่ถูกไม่ถูกต้องก็สรุปแล้วคนที่เสียชีวิตส่วนมากนี่คือน้ํามือของมนุษย์นั่นแหละ ความโลภของมนุษย์ที่ไม่อยากจะสร้างบ้านชั้นเดียวไม่มีใครอยู่บ้านชั้นเดียวถึงแม้ว่าสร้างด้วยปูนนะเสียชีวิตไม่มีมันไม่สามารถที่จะฆ่าคนได้สร้างชั้นเดียวไม่พอตรงนี่สิบชั้นตรงสี่สิบชั้นเราสร้างไปดีสิบชั้นส0ิบชั้นแต่สร้างให้ตรงมาตรฐานนะพอเ่าสร้างตรงมาตรฐานเนี่ยอาคารเนี่ย ถึงจะสุดนะแต่แต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเหมือนเหมือนกล่องที่ไม่ไม่ทับซ้ำกนะันคนที่อยู่ในอาคารเนี่ยก็จะปลอดภยัยอันนี้ถ้าตามมาตรฐานมาตรฐานอาคารที่ที่สามารถรองรับได้ซึ่งตุรกีเนี่ยเขาใช้มาตรฐานของญี่ปุ่นมาตรฐานของญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรองรับ8 8 8เดกเตอร์ ความแรงสูงเนะี่ยเขาก็คาเขาก็รับได้แต่เพราะว่าทั้งผู้รับเหมาทั้งเจ้าหน้าที่โยธาไม่ไม่ปฏิบัติตามมาตร า, านีัน่นดีผล้ก็เป็นบทเรียนเกี่ยวกับความรลภของมนุษย์ทุกมิติเข้ามาซ้ำเติมแล้วก็สร้างความเสียหายมากขึ้น <c oughs> ตาม มันหนีไม่พ้นนะครับบทเรียนของแผ่นดินไหวครั้งนี้และทุกครั้งที่จะเกิดขึ้นล่าสุดนี้วันซืนก็มีพายุที่บราซลิลนี่ก็แรงเหมือนกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นข้อเตือนจากพระผู้เป็นเจ้าหน้าเราก็ไม่รู้นะครับภัยพิบัติแต่และประเภทเนี่ยมันจะเป็นอย่างไงเรามีบทเรียนแล้วจะ จากโควิดสิบเก้านี่ว่ภัยพิบัติไม่จำเป็นต้องอยู่บนบกบนน้ําในอากาศอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เจอคนที่เคยล่องเรือไปเที่ยวกันในเรือนี่ปรากฏว่าติดกันทั้งลําเลยอยู่ในท้องทนะเลในช่วงรแรกๆของโควิดถ้าใครจำได้เรือที่ติดกันติดกันทั้งลาเลยไม่ติดยังไงคนเดียวเนขึ้นมาติดทั้งลำเลย แล้วเรือนั้นไปหลายประเทศได้มีใครรับมันนะดูความความอนตรขอลงไม่ไม่ให้ลงบนเครื่องเราก็ได้ข่าวนีที่ขึ้นเครื่องก็ติดกันก็มีมันเป็นข้อเตือนให้พวกเราทุกคนได้ได้มีอุทาหรณ์สำหรับผู้ศรัทธานี่ไม่ไม่จนปัญญานะที่จะนำอุทาหรณ์จากพระพุทธเจ้าในทุกทุกมิติ ทุกมิติทลนสามารถเสริมสร้างเสริมสร้างอี م ا ن ดิฉนรภาคหลวงสุาพลลสารณหัวใานไอ้ข้อมูลที่เขาบอกว่าแผ่นดินไหวนี่เกิดขึ้นจากอะไรนะโครงการอะไรฮาบอะไรของอเมริกาที่ที่ที่เป็นคนที่ก่อก่อแผ่นดินไหวให้เกิด เผ่นดินไหวนี่เรื่องเลอะเทอะั้งนั้นเรื่องแผ่นดินไหวนี่เป็นเป็นที่รู้กันนะครับเป็นที่รู้กันแล้วเราจะไม่ไม่ไม่หลงไม่ห ล, ลงประเด็นเกี่ยวกับาการที่แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในบางพื้นที่และไม่เกิดในบางพื้นที่เช่นบางคนบอกว่านี่ พื้นที่บางพื้นที่นี่เหมาะหรือเกินที่จะเกิดแผ่นดินไหวไม่น่าจะเกิดที่ตุรกีผู้ศรัทธาเนี่ไม่ควรที่จะหลงหลงไปเดินแบบนี้ประเทศตุรกีก็ไม่ใช่ว่า ป, ประเทศที่ปราศจากบาปและความชั่วเลยนะคือถ้าเราจะหาเหตุผลในการที่จะพูดว่าพูดได้นะว่า เราลดลงโทษชาวตรุรกีในเรื่องบาปอะไรบางอย่างก็มีเหตุผลและ้ะจะเกิดขึ้นจุดไหนทั่วโลกนี้ก็ยังยงจะมีเหตุผลทีล่จะเกิดขึ้นทีนนทน <laughs> ่แผ่นดินไทยนี่ก็ไม่มีไม่มีใครจะไม่มีใครจะว่าไม่น่าเลยพี่สิไม่มีใครจะว่าแผ่นดินไทยนี่มีแต่บรรดาวลีมีคนที่มีตะกวัวทั้งนั้นไม่น่าจะเกิดคงงไม่ใช่อ่ะ แต่การนั้นก็อตามว่าข้อเตือนข้อเตือนที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาเาจะให้กับคนที่ไม่ได้ประสบประสบภัยพิบัตินั้นแหะสำหรับผู้ศรัทธานี่พอที่จะเข้าใจาสัญญาณจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาเาถูกจุดถูก ก, ก, กประเด็นเราเราตั้งหากจะมองว่าบุคคลที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาเาทดสอบเขานี่ อัลลอฮฺสุวาห์นาตาหลายลบล้าเพราะแน่นอนคนที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเลยนะเสียชีวิตใต้ซากอาคารนี่ฮะดีสุ่งเห็นนบมิซัลลัลลอฮฺและนบีละวะฮัดมูชาฮิดุนคนที่บ้านเขาพังกลบเขานี่เป็น ش ه ีดเหมือนคนที่เสียชีวิตด้วยโรคโรคภายในร่างกายของเขาก็ ش ه ีด ท่านนบีเคยถามสอาบ้าเนี่ช شهيد ในภระชาองปัตยนี่ยคือใครสอาบ้าก็คือคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิพิบิลีแลนบีบอกถ้าเช่นนั้นแล้วถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ย ش ه ي ในปาชาธัเนี่ยน้อยเหลือเกินนบีก็เลยบอกัลมาบตูน غ ا ر ي ق و ش ه วลฮารีวัลารีกูเชฮิดคนที่เสียชีวิตในท้องโรคในท้องภายในร่างกายของเาชฮดคนที่จม น, มน้ำในเชฮดคนที่ตายภายใตยส้สักอาคารในเชฮดคนที่ตายด้วยไฟไหม้ในเชฮดคนที่ตายด้วยโรคระบาดในเชฮิดแล้วพี่น้องไปดูสถิติคนที่เสียชีวิตจาก เยอะมไเยอะดิเราก็จะมีมุมที่จะเข้าใจว่าอ๋อแสดงว่าคนที่เขาประสภบภัยพิบัติแล้วเสียชีวิตนี่นะถ้าเราเอาตามข้อสัทย์จริงอะนะแล้วก็ โ, โ, โชคดีนี่โชคดีก็ เ, เหมือนคนที่เสียชีวิตในโรคระบาดเนี่ยแล้วก็ปลอบใจกันนะ่จริงแล้วเนี่ยเราก็ดีใจว่าเรารอดใช่ไหมเราเนี่ยดีใจว่าเรารอด เขาเนี่ยเขาเนี่ยตายด้วยโควิดและเรารอดและพี่น้องบางคนเนี่บางทีเขาพูดว่าน่าสงสารเสียชีวิตเสียชีวิตด้วยโควิดเสียชีวิตด้วยโควิดไม่มีใครละหมาดจะน่าจะให้ละหมาดคนสองคนอันที่จริงแล้วชชฮีดเนี่ยไม่ต้องการคนละหมาดด้วยซ้ำมีนามซ้ําเราอาจจะพูดได้ว่าไอ้คนที่จะละหมาดเดี๋ยวเขาเนี่ยเข า, เขาตั้งหากที่อาจจะต้องการคนที่ เสียช er. ีว so, ิตเนี่ยเป็นชฟาให้เขาเขาจะหีเนี่ยแล้วเขาจะหีนแล้วคนนี้ยังไม่เสียชีวิตเนี่ยเขาว่าเราบอกว่าน่าสงสารมีใครละหมาดจะน่าให้เขาคือจะหีแล้วเงจะหีจะต้องการอะไรล่ะใครไป็นละถึงจะไม่มีใครละหมาดในเขาซึ่งที่ที่ตุรกีน่ะที่เสียชีวิตเยอะแล้วเสียชีวิตในเมืองในในเมืองที่ ไม่มีสารตัวพกเลยเนี่ยน้ําอะไรไม่มีเลยนะไม่ทันนะ่ะคือบางทีเนี่ยทีมทีมงานเนี่ยไปไปขุดหาในซากอาคารเนี่ยับเจอเป็นสิบสิบครอบครัวเลยอาคารตึกสูงเป็นสิบสิบครอบครัวอ้อาวทีมงานแค่ทีมงานที่จะไปไปขุดคุ้ยหาศพนี่นะเขาก็เหนื่อยเหนื่อยแล้วแล้วจะหาทีมงานมาไหนจะอาบน้ํามาเยี่ยได้ไหนจะ คนมาขอฟัตัวเลยบอกว่าถ้าไม่สะดวกอาบน้ำไม่ยึดก็ไม่ต้องอาบน้าและละหมาดยานาซะกัละหมาดยานาซะละหมาดยานาซะแบบจะมากระหมาอมที่ว่ามาเรียงมายึดเนี่ยเป็น10บสิคนแล้วก็ละหมาดยานาซะทีเดียวเลยก็ดุอานะครับให้พี่น้องุอาพี่น้องแล้วก็อุอาให้ตัวเราด้วยนะครับให้เราได้ได้เป็นหมู่ชนที่อัลลุบฮานวาา ปรดปราณให้เขาให้เขารับสัญญาณรับข้อเตือนและได้ได้มีอุทาหรณ์เราได้มีตาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องของเราในพื้นที่ที่ที่ประสบภัพยพิบัติต่างๆทั้งหมดเลยนะครับเราได้ส่งสตดอัตตาวะนี่นะครับ สุรตะอายาสซึ่งเลีกนิดนึงนะครับถพี่น้องจาได้นะครับนิดนึงเราได้อธิบายความหมายอายาเกี่ยวกับข้ออ้างของยะฮูดและนอซอรในการตั้งพักที่อัลลอฮ์อุกอัติลยะฮูดอซัยรุนิบุลลอฮ์กอัตินซารอลมซฮบนุลลอฮฺ ذلك قولهم بأفواههم ยุ้าย้วาอุนคำว่าที่นักประวัติศาสตร์คงบอกว่าความเชื่อและที่ต่างๆของยิวที่คาบสมุดอาระเบเนี่ยมันสาบสูญไป เองไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นนประวัติศาสตร์ยิวบางคนบอกว่าโอ๊ยี่ไม่จริงไม่พบไม่พบลทัทธิหรือกลุ่มยวิวใดๆที่กล่าวชัดว่าอูซรในภาษาอิรุดเาจะเรียกันอัลราอัลราอูซรหรืออัลราเป็นบุตรของอัลลอ์โดยตรงเนี่ยไม่พบแต่ทางอ้อมนี่นักวิชาการบางท่าน บอกว่ามีในตาวร้อนนีก็ยังมีองค์การทุกวันนี้เนี่ยก็ก็ยังกล่าวถึงอาซรอนเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นบุคคลที่อัลละได้เกิดให้เกิดอภินิหารมอจิษาตกับตัวเขาเนี่ยผมเคยเล่าเรื่องอภินิหารมอจิษาตของเขาเนีนที่เขาถูกฟื้นคืนชีพหลังจากให้เสียชีวิตไปหนึ่งรอปีแล้ว ได้มาเขียนเตราราอนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เอพวกกลุ่มบาบิลอนได้เอได้เผาเผาคำเพียรเตาร้อนจนไม่เหลือไม่เหลือสักเล่มหนึ่งแล้วคนคนนี้ที่สามารถมาฟื้นฟูเตาร้อนได้ชาวอยู่ก็เลยถือว่าเป็นอภินิหารและบุคคลที่จะมีอภินิหารเนี่ยเขาจะถูกให้ฉายา ในศาสนาบรรดอิสราเอลทั้งหมดเนี่ยถูกให้ฉายาว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์าั้มบุตรของอัลลอฮ์เนี่ยในเชิงนํามาทำนี่หมายถึงว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์สรงเมตตาท่านนบีอีซาก็ได้ฉายาว่าเป็นว่าเป็นบุตรของอัลลอฮ์และถูกตีความตีความวันบุตรของอัลลอฮ์นี่ก็แสดงว่าเป็นบุตรจริงแต่ที่จริงเนี่ยฉายาว่าบุตรของอัลลอฮ์หลายหลายคนที่ได้ฉายาเหล่านี้ซึ่งฉายาเนี่ย ที่จะทำใบางคนเนี่ยถูกสถาปนาให้มีคุณลักษณะเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยที่ยวรัศมีนาวตารหมายรวมซึ่งเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลของการตั้งภาคีหรือการการสถาปนามนุษย์สามัญชนเนี่ยให้มีสถานะเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปมีความสามารถเหนือกว่าคนอื่นและนี่เรื่องที่เกิดขึ้นกับท่านนายบีฮิซาเหมือนกัน เขากล่าวว่า المسيح ของนุ่นลอนางสาวร์กล่าวลลา่าวมัซียเป็นบุตรของลอคำพูดเหล่าเนี้ย้าเป็นคำพูดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในอนาณาจักรโรมันอนาณาจักรกรตซที่เขาสถาปนาบรรดาเทวดาเทวรูปทั้งหลายเนี่ยให้เป็นบุตรของลอบุตรของพระเจ้าอันนี่เป็นบุตรแล้วก็ใเคยที่เเคยอ่านนิทาน หรือดูหนังของพวกเนี้ยก็จะก็จะพบเรื่องนี้บ่อยในวัฒนธรรมของโรมันและกรีสเนี่ยอันนี้อันนี้บทอันนี้บทของพระเจ้าเนี่ยที่อัลลอ์ได้บอกว่า za'ikaquluhm b i ั f w a hiim yudahi'u naqulan ladhi nafarumiyun kablu นั่นคือถ้อยคำที่พวกเขากล่าวขึ้นด้วยปากของพวกเขาเองซึ่ง คล้ายกับถ้อยคำของบรรดาผู้ที่ได้ปฏิเสธการศรัทธามาก่อนก็คือชาวโรมันชาวโรมันได้ปกครองพื้นที่ทั้งหมดที่เคยชาวยิวอาศัยอยู่จนถึงท่านในยุของท่านในปีอิสาก็เกิดขึ้นที่ท่านที่ปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ภายใต้อาณาจของโรมัน นักประวัติศาสตร์ก็บอกว่าอิทธิพลของความเชื่อของชาวโรมันนี่มันก็ลามมาถึงความเชื่อของของชาวคริสต์เยอะมากเลยอะ่ะแม้กระทั่งเนี่ยวาเลนไทน์เนี่ยก็ก็บอกว่ามีเชื่อมีเชื่อจากเทศกาลที่เคยมีในสมยัยสมัยอันธจากโรมันหรือแม้กระทั่งเอ่อ คริสต์มาสเนี่ยคริสต์มาสวันประสูตของของขอท่านนบีซาที่คริสสวนมากเกวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าธันวาเพราะยี่สิบห้าธันวาเนี่อันนี้นักวิชาการชาวคริสตเองอะะหลายคนแม้กระทั่งปุ๊บปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงยี่สบห้านี่ในศาสนาคริสไม่มีไม่มีไม่มีการฉลอง ไะอะไรเขาบอกว่าเดิมเนี่ยโรมันเนี่ยชาวโรมันเนี่ยนะเขามีความเชื่อเขามีความเชื่อในดวงดาวเหมือนเหมือนชาวกรีกชาวคริสต์นะเขามีความเชื่อในดวงดาวแล้วเขาก็เชื่อเขาเชื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ยว่ามีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์ในบรรดาเทศกาลของชาวโรมันเนี่ยก็จะมี ก็จะมีความเชื่อในเทวรูปที่เขาให้ความสำคัญมากว่าเป็นบุตรว่าเป็นบุตรของดวงอาทิตย์ <c oughs> ดวงอาทิตย์เราเรียกกันดวงอาทิตย์นะแล้วคนอื่นนีรเขารัวนี้เนี่ยก็พระอาทิตย์พระจันทร์พระอะไรพระพระพระหรดพระพระพระพระพระพระพระพระพัะนระพงะพระอระระพั น, น, น, น, นะ น, น, นพร้ตระพระพระพระพระเรเสะพรพรนะระพรพระรระพระพระระพระพระพระพระระพระพระระ เขาอยากจะให้ชาวโรมันเนี่ยซึมซับในศาสนาที่คือเปลี่ยนจากจากศาสนาที่ตั้งพากีกับพระเจ้านี่มามามายึดในศาสนาที่เชื่อเ ช, ชื่อในพระเจ้าองค์เดียวเชื่อในพระเยซูนะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงเอาเทศกาลนี่ลอกเทศกาลมาถ่ายทอดหมดพฤติกรรมนี้มีทุกศาสนาพฤติกรรมก็ผ่านก็ผ่าน ก๊ปก๊ปแล้วก็มาใชา่มันทำมันง่ายดิมันกลมคืนอ่ะมันทตไม่รู้สึกสบายอกสบายใจเขามีเลี้ยงทำบุญคนตายสามวันทำไมเราจะไม่มีเขาเจ็ดวันบ้างอะ่ะเราก็มีเหมือนกันนมีอะไรมิไปด้วยนี่มีอะไรมีอะไรที่ไม่มีในตัวบทอ่ะนะแน่นอนต้องมีตัวบทที่อื่น มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมันเป็นไปได้งไงเ ป, เป็นไปได้ไงแต่และเรื่องที่เป็นเรื่องอุตริกรรมเนี่ยไม่มีตัวบทในในศาสนาของเราอะนะแต่เราจะไปพบแบบอย่างในศาสนาอื่นเออแปกเรื่องแป้ทำบุญครบรอบปีนี่ก็เหมือนกันมีในศา ส, สนาในแต่ศา ส, สนาเนี่ยมีเหมือนกันแต่ในศาสนาของเรานี่ไม่มีไม่มีเลย เรามองข้ามไม่ได้นี่ว่า <c oughs> การที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้องมีซึมซับอะไรหลายอย่างซึมซับอะไรหลายอย่างล่าสุดนี้เห็นว่ามีผัวจังหวัดหนึ่งเขาสนับสนุนเรื่องเรื่องสมรสสําหรับคนที่ไม่มีทุนเขาก็เลยให้ช่วยมีมีช่วยทุนนึ้วก็มีคู่หนึ่งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมุสลิม ก, ก็ก็ดูในข่าวนะก็เป็นมุสลิมแต่งกับผู้หญิงก็ แต่งฮิญาบเรียบร้อยแนละ้วครับผู้ชายผู้ชายก็ใส่ใส่หมวกมัลายยูแต่วิอยู่นู่นในภากีสานนา่าจะทํางานแถวนู้นน่ะแล้วก็สนับก็ดีนะรัฐบาลก็เปิดกว้างนสนับสนุนแม่กระทงครอบครัวมุสลิมแต่ดีนะแต่มัมนซึมซับไงคื อ, ผ, ผ, อ, นะอผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงก็นั่งแล้วก็ให้อวัฒชื่งกันและกันหลังจากที่เขาเนก้าเสร็จแล้ว่นะแล้วก็พอเนก้าเสร็จแล้วยังก็จะไหวกัน มันซึมซับไงมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าบาปนะแต่มุสลิมจะมุสลิมจะจะพนมกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขั้นบาปแต่ว่าก็มันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันความเราอยู่ร่วมกันน่ะมันก็ต้องมีอะไรที่มันก็ต้องมีพี่น้องชาวพุทธเนี่ยที่อยู่สามจังหวัดเนี่ยอยู่นี่กะตะเบะคืออยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ยมันมันต้องมีมันต้องมีอะไรที่มันไปมาไปมามันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในฐานะที่เป็น ผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยเราต้องเข้มแข็งนะเอาครอบมาปกป้องคุ้มครองศาสนานเรื่องอื่นนี่ไม่เป็นไรแต่อารีตประเพณีวัฒธนธรรมที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยปล่อยป่อยปล่อ ย, อ ย, อยตามน้ำไม่มีปัญหานะที่จริงเนี่มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วนะคนไทยเนี่ยเขเขาไม่เคยทําแกงมัสมั่นหรอกแล้วก็มุสลิมที่ไม่เคยอยู่ในแผ่นดินไทยเนี่ยเไม่เคยเขาไม่เคยกิน ขอหมุกิย่นี้แต่พอเราพอมุสลิมมาอยู่ในพื้นที่เขาก็กินอาหารของเขาเขาก็กินอาหารของเราใช่ไหมคำว่าเขากับเราเนี่ยมันก็มันก็แค่สรรนามที่เราแต่ที่จริงเนี่ยเรากับเขานี่ก็คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วไงแต่ในเรื่องศาสนาความเชื่อเนี่ยอันนี้เราต้องพยายามสร้างความเข้าใจกับตัวเราแล้วกับกับคนอื่นด้วยแม่นั้นมันก็จะเกิดขึ้นแบบนี้และนี่เป็นสิ่งเดียวเราได้เตือนมันเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ด้วยนะ วะยูนิบอกว่าอูซัร์อับดุลลานะซาระบอกว่ามัซซิ์อับดุลลานีมันไม่ไยูนยดีกคอุปโลก้นมาไม่ยุด่าหิอูน่ะเขาเรียนแบบมันคล้ายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในประชาชาติผู้ปฏิเสธสถานในยุคก่อนปฏิเสธในยุคก่แล้วมันจะเกิดขึ้นซ้ำซากในศาสนาคริสต์นออยนีเดอัลลอฮก็จะพูดมันก็จะเกิดซ้ำซาก แล้วจะเกิดซ้ำซในประชาชาติอื่นๆถ้าเรื่องอูลูฮิยะอูลูฮิยะความเป็นพระเจ้าความ เ, เจ้านี่เรื่องใหญ่ความเป็นพระเจ้านี่คือเรื่องเรื่องเรื่องคุณลักษณะของของพระเจ้านี่ที่เราต้องที่เราต้องศึกษาให้แม่นยำอะไรคือพระเจ้าอะไรคือไม่ใช่พระเจ้าแยกออกแยกออกกันให้ได้ อะไรคือพระเจ้าและอะไรคือไม่ใช่พระเจ้าจะได้ชี้ไงอันนี้พระเจ้าอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าชัดเจนด้วยการศึกษาสีฟาตคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า้าเรื่องนี้ทำไม่ได้อะนะอันนี้พระเจ้าอันนี้กํากึงกัมกึงเฉลิมไม่รู้กัมกึง อันรามากกว่านั้นนะครับก็คือรู้แก่ใจหรือเปลงวาจาว่าไม่ใช่พระเจ้าอันนี้ไม่ใช่พระเจ้าแต่ประพฤติปฏิบัติกับเขาเสมือนเป็นพระเจ้าซึ่งอายานี้ก็จะมาแจกแจงเรื่องนี้อายะ3สสบออันนี้สำคัญมากนะครับอายะนี้เพราะเคยบอกแล้ววา สุรตัตาวานิถูประธานลงมาปีไหนนะจมแบบได้ไหมนีม่ใครจาได้ไหมวีด <c oughs> ีกาวีดีกาน บ, บีเสียชีวิตปีที่สิบต้นต้น 11. สิบเอ็ดแสดงว่าน บ, บีอยู่ที่ม ด, ดีน่านถึงปีที่เก้านี่ ถึงก่อนเสียชีวิตเนี่ยแล้วเราเคยเราเคยพูดกันหลายครั้งแล้วว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการตั้งพาคีมันเป็นบริบทที่เกิดขึ้นที่มักกะเสียส่วนมากนะ ม, มันดาเวิตที่ถูกแขวนที่กาบาที่เขาทำชีริต ก, กันส่วนมา ด, ดีน่านี่ไม่มีแล้วนะเรื่องนี้ มีแต่บทบัญญัติที่เกี่ยวกับบริหารบริหารสังคมละแต่ถ้าไม่ยังมีบางอายะหรือบางสูระในมดีน่าเนี่ยที่เราเรียกกันสุร้อนมดนียะหรืออายะมะดนียะก็ถูกบระทานลงมาที่มดีนะยังพูดถึงเรื่องชีิตกันพูดถึงเรื่องการตั้งค่าคีดกับอัลลอฮ์เนี่ยกาเพราะ มันเป็นรูปแบบชริกที่ไม่ไม่มีที่ที่ที่มกักกะมันเป็นโมเดลที่มีอยู่แล้วก็ต้องต้องมีคาสั่งสอนมามาแก้ไขแล้วบังเ อ, อิญมันเป็นพฤติกรรมเรื่องการตังพรารกีประเภทเนี้ยที่มันมีในพื้นที่อื่นๆไม่ใช่ในคาบสมุทรอาหรับอย่างเดียวในพื้นที่อื่นๆคาดการว่าทามุสลิมได้ขยาย การเผยแพร่ศาสนาแล้วก็ต้องพบเรื่องนี้จึงต้องมีคําสั่งสอนแบบนี้เนี่ยมาแก้ไขแล้วก็เป็นเป็นบทเรียนสําหรับมุสลิมนั่นก็คือการสถาปนามนุษย์ที่เรารู้ว่าเขามนุษย์นะอันนั้นเขาสถาปนามนุษย์เป็นพระเจ้ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ไม่ได้การเป็นมนุษย์แล้วเป็นพระเจ้านั่นนะไม่ใช่คราวนี้เนี่ยนี่เป็นมนุษย์และรู้ว่าเป็นมนุษย์นะ แต่ประพฤติปฏิบัติเข้าเสมือนว่าเขาเนี่เป็นพระเจ้านั่นก็คือการสถาปนานักศาสนาบาดหลวงปราดให้มีสถานะเหมือนเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เนบอกอิททัคฮุอัฮ์บะระห์มวะรุบานะห์มอรบะบันมินดูนิลลาัลมาซีฮบนมาริม و ่ إ إ م อ ا มรุอิล عبدوا อิลล้า ل ว้าหิดะลาอิลล้าอิลล้าฮ์วะสุบฮ ا นะฮ์อัลหม่าอ ا ชริกุ่นอัตถั๊ดฮุพวกเ ا ะชื่อชื่อไรอับบาระฮุมวะรุบะนะฮุมบันดาเนประตอั ن บาร์พรพเอกพทของมันเนี่ย ฮับรุหริฮับรุนบรุนแบบอปเรตว่ารูปแบบหนึ่งก็เะหุพจน์เหมือนกันเอกพจน์นี้ก็คือร่อฮิบคือบาทหลวงศาสนายิวและศาสนาคิสนีก็จะมีประเพณีในศาสนาเนี่ยว่านักศาสนาของเขานี่สองประเภทประเภทหนึ่ง ประเภทหนึ่งที่จะมีความรู้เป็นคนนิ่มมันหาความรู้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นผู้รู้อันนี้ก็จะได้ขับขับและกประเภทหนึ่งเนี่ยขยันทํำอิบาร์ได้อย่างเดียวบวชทําทําบุญอย่างเดียวนะนักบุญจะได้จะได้จะได้บัตรหลวง อย่ในภาษาอาหรับนีรกว่าโรฮิบโรหิบมาจากโรฮบาโรหาบาแปว่ากลัวรรหิบแปลว่าผู้กลัวกลัวกลัวพระเจ้าทําอะไรอ่ะโอ้ทำบวชทํำอิบาดะราลึกถึงพระเจ้าอย่างเดียวเลยซึ่งซึ่งในศาสนาอยู่แล้แล้วศาสนาคกอสิก็บริเรื่องปกติแต่ในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยไอการแบ่งแยกอันนี้เนี่ยมันไม่มี มันไม่มีแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่แทบหลีกเลี่ยงไม่ได้หมายถึงว่าปรากฏการณ์ที่จะเห็นว่าคนหนึ่งเนี่ยจะคนหนึ่งคนใดเนี่ยใส่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยจะชำนาญการหลายเรื่องในเวลาเดียวกันเนี่ยค่อนข้างยากดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้กระด้งในศาสนาอิสลามเนี่ยคนที่มีความรู้แบบ ความรู้แบบเป็นที่เลยนะเป็นผู้รู้ที่สุดยอดของความรู้เนี่ยก็มักจะเห็นว่าผู้รู้คนนี้เนี่ยไม่ไม่ค่อยสุดยอดในเรื่องการทําไมบาดะแต่เมื่เห็นคนที่ขยันทาให้สุดยอดในเรื่องไงบาดะก็จะไม่สุดยอดในเรื่องความรู้และจะพบสองอย่างนี้ในคนคนหนึ่งนะอันนั้นะอันอนั้นถือว่าอัศจรรย์มากเลย มีทั้งความรู้มีทั้งเรื่องอิบาดนะาเ น, นี่นะที่เราเรียนอัศจรรย์มาเนี่ยเราก็พูดถึงปรากฏการณ์นี้มันมีจริงเขาให้เกียรติให้ความเคารพกับใครก็ปราดผู้รู้แล้วก็ผู้ขยันทําไม บ, บาดนะบัดเราก็รู้บัดให้เกียรติทั้งคู่เลยแต่การให้เกียรติทั้งคู่เนี่ยถึงขนาดทีอด่อิตาคาดูยึดเอาเขาเนี่ยอรบาบนันเป็นพระเจ้า อื่นจากอัลลอฮ์มินดูนิลล่ะอื่นจาก Allah. อัลลอฮ์ก่อนที่จะมีอิสลามนะก่อนที่จะมีศาสนาอิสลามเนี่ยเคยเล่าให้พีน้องฟังว่าคาบสมุทรอาหรับเนี่ยถูกล้อมด้วยสองอาณาจักรยิ่งไงอาณาจักรเปอร์เซียอิรักและอาณาจักรรูมันวคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเหมือนผลไม้แล้วก็อยู่อยู่ระหว่างสองกีบของคีมคีมที่มันบีบ อาณาจากโรมันกับปเปอร์เซียเนี่ยก็สู้รบกันตลอดฟัดกันตลอดแล้วก็ข้ามามสศึกชาวอาหรับเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างสองประเภทสองประเทศเนี่ยหนีพ้นได้ไหมหนีพ้นไม่ได้ชาวปเปอร์เซียนี่ก็ต้องก็ต้องบังคับให้กลุ่มอาหรับบางกลุ่มเนี่ยได้รับใช้รับใช้ชาวปเปอร์เซีย โรมันเนี่ยก็บางค้าให้เผ่าอาหรับบางเผ่านี่ก็รับใช้ชาวโรมันปรากฏ ว, ว่าเผ่าอาหรับที่รับใชบ้เบอร์เซียนี่เขาเรียกมนาซีระมานาซีระเพราะกษัตริย์ของของเผ่าอาหรับที่รับใชบ้เบอร์เซียนี่ส่วนมากชื่ออัลมุนซิรอัลมุนซิรมุนซิรกษัตริย์มุนซิรมุนซิรหลายคนเรียกมานาซีระ เผ่าอารับที่รับใช้โรมันเนี่ยเขาเรียกกอรซาซีนนะซาซีนะาสาสนะแล้วก็เผ่าอารับนี่ที่รับใช้เบอร์เซลแล้วก็พยายามที่จะเผยแพร่วัานธรรมของเจ้านายของเขาด้วยเขาบอกว่าเนี่ยที่ไปที่มาที่จเจวิเนี่ยมาจากเปอร์เซียมาจากโรมันนี่ม า, ามนเนมาข้าถึงกาบะนี่เขาบว่ามุรุบุลุไพ อ่มารวมนูละให้นีก่ก่อนที่นบีมาเทศนาเกือบสามร้อยปีก็เป็นพ่อค้าไปไปเปอรป์เซียไปนูนะ่นอะไปชาบก็ไปเห็นเปอร์เซียนี่เขาก็ บ, บูชาไฟไปโรมันเนี่โอเนี่ยกับบูชานู่นบูชานี้ขเขาก็เอาเอาเจเวิตแล้วก็มาเรียนแบบเขานี่ที่ไปที่มาของการตั้งภาคีมีเจเวิตที่ถูกบูชาที่กาบะแล้วเผยแร่ศา ส, สนาด้วย เผาอาหรับที่รับใช้โรมันเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ศาสนากับกลุ่มอาหรับแท้ๆเลยอาหรับพันแท้เลยเช่นเผ่าตักลิบตักลิบนี่เป็นเผ่าอาหรับเรียกว่ามีมีชื่อเสียงมีบารมีมีทรัพย์มีเงินมีและหนึ่งในเผ่าเนี่ยก็คือต้อยต้อยนี่เป็นเผ่าอาหรับพันแท้มึงกัน คนหนึ่งในพอรับนี้เป็นเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องความใจบุญชื่อฮาติมอตตอีดังมากวันนี้เขาบอกว่าใจบุญของเขาถึงขนาดที่แขกมาเยือนบ้านเขาทุกคนเนี่ยเขาต้องเลีย้ยงต้องเลี้ยงและเขาไม่ใช่เลี้ยงแบบธรรมดาเลี้ยงเชือดแพะตัวสองตัวอย่างนี้นมีครั้งหนึ่งแขกมาบ้านไม่มีอะไรจะเลี้ยง มีแต่มา้มาม้าต่อกรุ่นนะมา้าสำหรับอาหรับนี่คืออะไรมา้าม้านี่คือชีวิตเขาเอาม้าที่แบบว่าสุดที่รักของเขานี่เอามาเชื่อตเลี้ยงถึงได้ฉายาวอัครมูลอหรับเป็นคนที่ใจบุญที่สุดในบรรดาอาหรับทั้งหลายฮาติมาต้ยนี่มีลูกชายคนหนึ่งชื่ออาดีอาดีเนี่ย เฝ้าดูท่านนบีตลอดชีวิตเนี่ยไม่ได้รับอิสลามเนี่ยเพราะว่านบีพิชิตมักการแล้วนี่นะครับพิชิตมักการแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ที่มดีน่านี่แคก็มามารับอิสลามกับท่านนบีแล้วนบีจากท่านนบีมาเนยปีที่เก้าเนี่ยสุรบกครับแต่ว่าถูกประหลงมานบีก็อ่านอายะเนี่ยว่าตะขะอับบารุกอัรุบานะฮุมพวอคริสตเนี่ยพวกเยอุดและนางซอนเนี่ยเอาบาดหลวงของเขา ยึบาดหลวงของเขาปราดของเขาเนี่เป็นพระเจ้าอื่นจากกันหรออาตีบอกว่าเปล่าเลยฟังนะเปล่าเลยเราไม่เคยเอาเาเป็นมาเป็นพระเจ้าเป็นเป็นพระเจ้าของเราไม่เคยเลยนบีบอกว่านบีก็เลยทำจริงไหมละ่ะว่าปราดบาดหลวงถ้าเขากำหนดอะไรมันฮาลาล โดยที่อัลลอฮ์กำหนดว่ามันฮารอมแล้วเนี่ยพวกเจ้านี้ก็จะเชื่อฟังเขาและถ้าเขากําหนดอะไรที่มันฮารอมดังๆที่อัลลอฮ์บอกว่ามันฮาราฮแล้วเนี่ยพวกเจ้าก็จะเชื่อฟังเขาหมายถึงว่าเชื่อฟังสวนทางคําสั่งสอนของเจ้าจริงไหมล่ะเบอกว่าอันนี้จริงอันนี้จริงแล้มีก็บอกว่าติลกาอิบะดาตุฮุมบอกว่านี่แหละคือการเคารพสักการะอัลมาฮ์บอกว่า อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชื่อในตัวเขานี่ว่าเป็นพระเจ้าใช่นนั้ยก็ยังเชื่อเป็นมนุษย์อันนี้เขาบอกว่าชิรคุตตชรียาิร์ในในด้านบัญญัติบุคคลองคอ์กรบัญญัติอะไร ให้เราได้เชื่อว่ามันฮัลลหรือฮารอมสวดทางกับสิ ا ا نا نا. نا ي خ ي خ ่งที่อัลลอฮ์ได้กําหนดถ้าเราตามเชื่อตามนั้นนะนะอันนั้นนะชิริกเหมือนกันเหล้านี่ฮารอมไหมสุรานี่ขามัดนี่ฮารอมไหมฮารอมถ้ามีใครเข้ามาบอกว่าฮัลลล่ะมึงบอกดิว่าฮัลลแต่กูไม่เชื่อมันมันฮัลกูเชื่อวันฮารอมนะพระเจ้าบอกว่าฮารอมอันนี้เนี่ยเรา เรามีเต็มหิดเรื่องตั้งเชียรต็มหิดหบาว่าเอกภาพว่าไม่มีใครที่จะบอกว่าฮาเาจะกับอลลอฮ์เราจะไม่เชื่อใครอื่นจากอัลลอฮ์ครั้งถ้าเราเนี่ยสักวันหนึ่งไม่ฮะลาลหรืออย่างประเทศอาหรับบางประเทศฮาลาลสาหรับนักท่องเที่ยวหรืออย่างที่ประเทศมาเลียสาหรับมาลายูเนี่ยผิดคนมามาลายูเนี่ยห้มมดื่มเหล้า แต่คนมาเลเซียถือสัญชาติมาเลเซียนี่แต่ไม่เชื่มยอมัลายูนะกินแล้วได้อันนี้ปแปลกที่สุดในมเมลีเป็นมุสลิมแท้แท้เลยนะแต่เป็นกฎหมายมแปลกๆหรือจะบอกไปเลยนี่มันฮ a r a มอ่ะบอกไปเลยนีมันฮาร a m นะแต่ใครจะกินนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อของเขาแต่มุสลิมจะจะจะจ ะ, จ ะ, จะออกกฎหมายว่าว่าว่ามันถูกกฎหมายว่าอนุญาตจะไม่ได้ทําไม่ได้ กฎหมายของเราเนี่ยจะสวนทางกฎหมายสมัยแคลิฟอรทั้งหลา ย, เ, ยเราไม่ได้ปกครองแผ่นดินที่มีต่างศาสนาอย่าเนี่ยมีดิตอนแรกเนี่ยที่อิสลามได้ปกครองพื้นที่ทั้งหลายเนี่ยส่วนมากประชะออากรเนี่ยก็ไม่ใช่穆斯林อ้าวแล้วเขาเขากินเหล้ากินหมูกันมากินอะไรงไงก็เป็นกีเป็นเป็นเรื่องของเขาแต่เราจะไม่ออกบัญญัติของเรานี่คือฮะเราเขาเนี่ย อ, อ, อยู่ภายใต้ ภายใต้อำนาจการดูแลเราคุ้มครองเขาแต่เราแต่เราจะไม่ออกกฎหมายแทนเขาว่าอะเพราะคุณกินหมูกินเหล้าฉันจะออกกฎหมายว่าหมูเหล่านี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมาไม่ผิดกฎหมายแต่คุณจะกินใอ้ไรของคุณเราจะไม่ยุ่งอันนี้เราจะได้เข้าใจนะแต่การที่เราจะเชื่อ หรือยอมมอบอำนาจให้ใครได้บัญญัตอลลออออิอะไรที่มันฮะเลลทั้งนันทีอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่ามันฮะรอมอะไรที่มันฮารอมเันี้ยทีอัลลอฮ์บอกว่ามันฮะเาลแล้วเนี่ยอันนั้นน่ไม่ได้เรื่องที่มันคล้ายๆเรื่องเนี่ยแล้วมันอาจจะสร้างความสับสนสำหรับบางคนแต่เราต้องระบุจะได้สร้างความเข้าใจที่บอกว่า ปราดพิงได้ครับพิงได้ที่นี่เขาชิน mhm กันแล้วแล้วสบายอะไรที่อัลล์บอกว่าฮาลาลชัดๆนะและมีคนบอกว่าฮารอมเช่นเรื่องขเรื่องขิดานของผู้หญิงขดานผู้หญิงี่บทบัญญัติชัดในอิสลามยเฉพะฮาิสงั่นน อลุลามะบางท่านบอกว่ามุสตาฮับชอบไปทำอลุลามาบางท่านบอกว่าไม่ถึงขั้นมุสตลาฮับฮาราเลงเดียวอลุลามบอกว่าอาจิบขั้นต่ำของมันที่สุดนี้ก็คืออุบาห์ก็คือฮาาลแต่นี้เขาจะมาออกกฎหมายว่าคีตาตนสำหรับผู้หญิงเนี่ ย, ผ, ย, ยผิดกฎหมายเป็นอัชยากรรมผิดกฎหมายคดีอาญาเลยนะคดีอาญาเลยทำคีตานให้ผู้หญิง ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยมีรายละเอียดเยอะนะทางการแพทย์นี่มีแพทย์บางคนเนี่ยให้ทัศน์ว่าถ้าทําถูกต้องเนี่ยดีสําหรับสุขภาวะของของสตรีแต่ น, นี้มันไม่ใช่อะไรเลยที่ผมก็แค่ยกตัวอย่างเนี่ยอะไรที่มันฮะล่นชัดในอิสราเอลมแลมีใครบอกว่ามันฮารอมทําไม่ได้ไม่ให้ทําอันเนี้ยอันเนี้ยที่ไม่ถูกต้องนี่ที่เราพูด แต่เรื่องที่มันมีมันมีขอ้อโต้แย้งในสำนวนในเนื้อหาของตัวบทในหลักการศาสนามีคีดแลกระหว่างอุลามะว่มาวมันฮาลาตอไม่ฮาลา ล, ล, าลอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้นะอเช่นมีเรื่องหนึ่งที่อุลมามะบางท่น า, ล า, ล า, บาทนบอกว่าฮาลาลแต่มีอุลามะท่านบอกว่าฮ ARAM เราก็อันี้อันนี้ อุลามะาพออุลามคนนี้บอกว่าฮลลเราก็เชื่อเขพอนนี้บอกว่าฮารามเราก็เชื่อเขาอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นนี้นะพี่น้องอย่าสับสนนะอย่าปนนะนี่บางคนละอนกันเาบอกว่าสิ่งที่มันชัดนะสิ่งที่มันชัดแล้วไม่มีขิลาเลยในอิสลามวมันฮลลแมีคบอกว่าฮารามอ่ยกตัวอย่างอย่างซินาอย่างเงี้ยมีขิลามั้ยมีขลาบมซนาสองมันสับมีมั้ย การดื่มเหล้าอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้เนี่ยถ้ายุถ้าจะยกตัวอย่างให้พี่น้องอย่างเรื่องบุหรี่บุหรี่นี่ใช่มีขีดแรกจริงจริงขีดแรเนี่ยมันจะความขัดแย้งที่น่าฟังหรือไม่น่าฟังนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะแต่มันก็มีมันก็มีความขัดแย้งจริงกันล่ะเพียงจะไม่น่าฟังแต่มันก็มีแหละสมมติว่ามีคนรู้แล้วว่าตัวบทชัดเจนว่า บุรีนี่มันอันตรายแต่ก็ยังดันไปเชื่อวลามาที่บอกว่ามันแค่มะกรูดอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ประเภทคนที่รู้รู้ว่ามันฮ ARAM แล้วแล้วก็ไปเชื่อฟังผู้รู้ที่บอกว่ามะกรูดโอ้อยากจะสูบบุรีแสดงว่านี่ชิริกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างี้อันนี้เราอันนี้เราต้องเราต้องอธิบายตรงนี้เนี่ยป้องกันไม่คนสับสนแล้วก็ไปปนเรื่องนี้กับเรื่องอื่นที่เรากําลังพูดถึงก็คือคนที่สวนทาง คำสั่งสอนบุตรบรรญัณุลอี่ชัดเจนอันนี้เนี่ยที่เคยเกิดขึ้นสมัยยุทธแ ล, าาล้วลอสอรอและอาจจะเกิดขึ้นในประชาธยอิสลามก็ได้ล l l a h จึงเอามาเตือนมินดูนิลละอันนี้เป็นข้อแม่สําคัญนะครับอารบะบันมินดูนิลละฮิตเอาเป็นพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์อื่นจาก الله. อัลลอฮ์อัลมาซีฮับน์มะริยัมและก็ยึดเอาอัลมาซีฮ์อัลมาซีฮ์บุตรของมะรยัม เป็นพระเจ้าด้วยอกับทุกสิ่งทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการประกอบศา ส, สน ก, กิจเขาก็เอาพระเยซูมาเป็นองค์ประกอบด้วยดุยพระนางของพระบิดาพระบุตรพระจิตเป็นองค์ประกอบความเชื่อว่าไม่มีใครจะเข้าสวรรค์ นอกจากว่าต้องเชื่อว่าพระเยซูปเป็นผู้ที่ล้างบาปความเชื่อว่าบาตรหลวงสามารถล้างบาปประชากรได้ถ้าไปสารภาพกับเขาเขาก็เลยมีพิธีพิธีสารภาพพิธีสารภาพทำบาปทำบาปแค่ไหนนี่ถ้า่เป็นสารภาพแล้วบาตรหลวงก็สามารถที่จะให้อภัยโทษได้ ซึ่งเรื่องนี้ก็มีนักวิชาการมุสลิมก็เคยไปถามแล้วก็ลก็ถ้าบาดหลวงเขาทําบาปอะใครใครเขาจะไปสารภาพกับใครเพราะสารภาพกัใครเขาบอกว่าสารภาพกับกับบาดหลวงที่เหนือกว่าเขาอ้าแล้วที่เหนือเขาทําบาปเขาบอกว่าตรงสารภาพไปถึงไปถึงผู้นําสูงสุดแล้วถ <AM D> <cal> ้าผู้นําสูงสุดถ้าบผู้นําสูงสุดนี่เขาไม่ทําบาป อันนี้คือทางออกของเขาไงซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ไงสาหรับสําหรับมนุษย์นี่ที่เราเชื่อมนุษย์ไม่ไม่ไม่ไมบาปเลยนี่เป็นไปไม่ได้เป็ น, ป น, ป น, ปนไป ไ, ไม่ได้แต่เขาก็เขาก็มีความเชื <S <S 2> <S 2> อ่ออีกนั่นจริงเลยามีความเชื่อในโป๊บโป๊บเนะี่ยว่าเขาเขาเขามีเขาสามารถที่จะให้ความจําเริญสามารถที่จะมอบทางออกทางรอดให้อภัยโทษนี่ยเขาเชื่อแบบนั้นจริงๆรินี่ทั้งหมดเนี่ย ทางดังที่เขาเชื่อว่าเป็นมนุษย์นะเชื่อรู้ว่าเป็นมนุษย์นะแต่สถาปนาหรือประพฤติปฏิบัติกับเขาเนี่ยเสมือนเขามีคุณลักษณะเหมือนเป็นพระเจ้าอัลลอฮฺสุฮาห์านะว่าาตอกย้มในคำสั่งสอนที่เคยมีในในสุราอายะต่างๆที่มำกัญเช็นสุราอัลบญยนะเป็นสุราแ ร, แรกเลย بر ماك لم يكن الذين كفروا من أهل كتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم ب ي ن رسول من الله يتلو صعفا مطار فيها كتب ه قيمة وما تفرق الذين أوتوا كتاب إلا من بعد ما جاءتهم ب ي ن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دين حنفاء وما أمروا أمر إلا ليعبدوا إلها و ا ح د س م ن و ا كي ينمع อันนี้ที่มดินะอันนุ่ทนทมกะแต่เป็นคำสั่งสอนเนื้อหาดเดียวกันตอกยำ้ำว่ามาอุมิรูทั้งดังดีพวกเขามิได้ถูกชายนอกจากเพื่อเคารพสักการะผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักกระแต่เพียงพระองค์เดียวและอิลาฮคอิลลัหุซึ่งไม่มีผู้ใด ควรได้รับการเคารพสักการะอิลลฮูนอกจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านเท่านั้นสุบฮานะหัอามะอิชริกุณพระองค์ทรงบุรีสุบฮานสุบฮานนี่ขอสรรเสริญขอสรรเสริญอัลลอฮ์แล้ก็มาสุบฮานเนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันมีบังคําเนี่ยเป็นคํำผสมระหว่างผสมระหว่างกริยาการนามหรืออิสมุฟิล สุบฮานเนี่ยเป็นคำผสมระหว่างนามกับกริยาเท่ากับมีเนื้อหาว่าสุบฮานเนี่ยข้าพระเจ้าขอสรรเสริญว่าอัลลอฮฺบริสุทธิ์ขอสรรเสริญพระเจ้าว่าพระองค์นี้บริสุทธิ์คำเดียวสุบฮานาาานพระองค์ทรงบริสุทธิ์อามมาอุชริกูลจากสินที่พวกเขาให้มีภาีขึ้นนี่นะพี่น้อง เนื้อหาของอายะเนี่ยและทุกอายะเนี่ยทุกอายะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศตัดข้อผูกพันเกกับเรื่องชิริกต่างๆเราเชื่อว่ามีพระเจ้าอันเดไม่มีพระเจ้าอัดนอกจากอัลลอฮ์สรรเสริญสริดีพระเจ้าของเราหนี่ว่าไม่มีภาคีและเราเนี่ขอยืนยันว่าเราจะไม่เชื่อในภาคีกับอัลลอฮ์แต่งใดอันนี้มันจะ มันจะยังคงเป็นทฤษฎีจาาว่าเราไม่นำมามาถ่ายทอดให้เกิดความรู้สึกจิิงทำยังไงทำยังไงคนที่อยู่ในพื้นที่ประเทศมุสลิมนะประเทศมุสลิมที่ไม่ค่อยเกิดออรูปแบบของเรื่องชีริกอะไรต่างๆที่มันชัดๆนั่นนะ ก็มักจะไม่ไม่รู้สึกเรืองนี้แต่เราเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีเรื่องชิริกนี้มีเรื่องเยอะการกราบไหว้อื่นจากอัลลอ์การเคารพสักการะอื่นยังเราเห็นเยการที่เราเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ในการที่จะเชื่อว่าอันนี้อันนี้อันนี้หลักการหนึ่งแต่การที่เราเราปล่อยให้เขาได้มีสิทธิ์ในการเชื่อตามศาสนาของเขานี่ เราไม่ยุ่อันนี้ละอันนี้หลักการที่เราปฏิบัติอยู่แต่มันไม่ได้หมายรวมว่าสิ่งที่เขาเคารพสักการะนี่เราจะเคารพสักการะด้วยสิ่งที่เขากําลังภูมิใจอยู่เราก็จะภูมิใจด้วยนี่ไม่ใช่เรายังคงต้องรู้สึกว่าเขากําลังทําสิ่งที่มันเป็นบาปสําหรับเราเหมือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขามีสิทธิ์กินเหล้าใช่ไหม เราจะบอกว่ากินคุณกินเหล้ากินกินเหล้าได้ไง่ายเหล้าบาปบาปสำหรับคุณแต่สําหรับผมนี่มันไม่ไดีบาปออันนี้ใช่อันนี้อันนี้ความจริงแต่ไม่ไดีมาร้วมว่าเขามีสิทธิกินเหล้าแสดงว่าอร่อยไหมอร่อยไหมรู้สึกยังไงแล้วจะมีความรู้สึกร่วมกับเขาไม่ใช่เรายัางอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมอิสลามบอกว่ากินเหลนะ้าแล้วยแต่มานั่ง กินเลาโต๊ะเดียวกันน่ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องมีความรู้สึกว่าเขากำลังทำบาปเขากำลังทำสิ่งที่เราเนี่ยเชื่อว่ามันบาปที่จริงแล้วเนี่ยมุสลิมมุสลิมทั่วไปเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกรึมีความรู้สึกตรหนั ก, นนกเรื่องนี้จริงแต่ไม่ชุกเรื่องบางเรื่องก็คือเรื่องอะไรเรื่องกินบุก ม, มุสลิมนี่เออยี่เออยคําว่าหมูดิไม่ได้เลยไม่ได้เลยเห็นไหมใครมาแตะหมูแล้วก็เามาด้วยอ้เป็นเรื่องเลยที่จริงนี่ทำไมอ่ะเพราะเขเชื่อเรื่องกินหมูนี่มันบาปและอะไรที่มันกระทบมันกับเรื่องหมูนี่มันมันไม่ได้อ่ะและไม่ที่บาปธรรมดาเนะ่ยบาปเบเนดิกซ์ด้วยมันสกปรกด้วย เรื่องอื่นนี่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันต่างกันนะเวอร์อาจจะไม่สกปรกทําอะไรบางอย่างมันไม่สกแต่มันบาปเราต้องพยายามเข้าใจความสม่าเสมอในเรื่องความเชื่อนี่มันต้องคือมันต้องมีเหตุมีผลไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไงอ่ะคุณนี่สะดุ้งเรื่องหมูนี่คุณไม่ยอมแตะไม่ยอมกินนี่แต่ชีวนี่มันดื่มเหล้าดื่มเบียร์เฉยเลยอันนี้บาปอันนี้ก็บาป อันนี้ปาบอันนี้ก็แบบพี่น้องเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องชีริกในบ้านเราเนี่ยจะได้ฟื้นฟูความเชื่อแบบนี้ฟื้นฟูให้เรารู้สึกในความเป็นความเป็นผู้ให้เอกภาพเด่ข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมแลวก็ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราต้องมีความตระหนักในความเชื่อในหลักศรัทธา ถ้ามันจะไม่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวจะจะจะเป็นจะเป็นหลักหลักเชื่อมั่นที่เราปฏิบัติจริงในวิธีชีวิตของเราอะนะออพอเขาเห็นเขาทำชิริกเนี่ยทมดุลทมดูแลที่ฉันไม่ได้ทำเรื่องนี้คือสัแดงให้อัลลอฮ์ได้เห็นให้อัลลอ์ได้เห็นว่าหัวใจของเราเนี่ยไม่ไปทางนูน้นไม่ชอบเรื่องไม่ชอบแบบนี้ แสดงว่าละอีละอินละล้อเนี่ยในหัวใจของเราเนี่ยมันถูกปฏิบัติอย่างแท้จริงที่เราบอกว่าการร่วมพิธีต่างๆเนี่ยกับพี่น้องต่างศาสนิกแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราหรือเป็นเพื่อนฝูงเราต้องระวังอะไรที่มันเป็นพิธีทางศาสนาเนี่ยเราต้องหลีกเลี่ยงเพราะเรื่องนี้การที่เราหลีกเลี่ยงเนี่ยเพื่อปกป้องรักษาเรื่องหลักความเชื่อไม่ใช่เราไม่ได้มีอคติ กับตัวพี่น้องดานซนิกนี่ไม่ใช่เลยอยากพี่น้องเราที่อาจจะไม่ใช่มุสลิมเราไม่ได้มีอคติอะไรกับเขาแต่เราเพียงปกป้องความเป็นมุสลิมปกป้องความหลักศรัทธาหลักความเชื่อเท่านั้นไม่ได้มีการดูถูกไม่ได้มีการมินไม่ได้มีไม่ได้มีการเหยียดหยามหรือไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่มันมันเป็นเชิงลบเกี่ยวกับตัวบุคคลแต่เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อที่เราต้องระมัด ร, ระวงังและก็ให้มีขอบเขต ที่มันชัดจีนนะครับวิถีชีวิตของมุสลิมเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องทำให้ทให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นม า, มาตรฐานมาตรฐานถ่ายทอดไปยังลูกหลานของเราด้วยศา ส, สนาอิสลามของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นา น, นกันด้วยวิธีเนี่ยผมคิดว่าบรรพบุรุษเนี่ยก็พยายามที่จะปลูกฝังเรื่องเนี่ ปูกฝังเั่องนี้ผมก็แปลกใจนะว่าตะก่อนนุ่นนะเขาก็สามารถอยู่ร่วมได้นในสังคมเปอร์วัตนธรรมแต่ในเรื่องศาสนาเนี่ยเขาก็เข้มงวดแล้วตะก่อนนู้นนะ่ะพี่น้องต่างเส้นนี่เขาก็เข้าใจมุสลิมดีนะ่แะแต่ก็มามายุคนี้เนะี่ยก็เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มมีอคติแล้วก็ริ่ ม, มีมุสลิมที่ไม่เข้าใจถูกต้อง หละการที่เราไม่มีการประสานงานไม่มีการพูดคุยมันก็ทําให้มีความเข้าใจที่มันคาดเคลื่อนบ้างนี่มันถ้ามันมีมมโอกาสที่เราจะชี้แจงอธิบายให้พี่น้องต่างศาสนิกได้เข้าใจด้วยก็รวมถึงมุสลิมด้วยนะให้เข้าใจหลักการศาสนาเป็นยังไงบางทีถ้ามุสลิมไม่เข้าใจหลักการศาสนาไปปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องทําให้พี่น้องต่างศาสนิกเข้าใจว่าอ๋อมุสลิมนี่ ทำได้พิธีพิธีดังศาสนานี่เวลามุสลิมไปร่วมเองเนี่ยเออหงล่าสุดนี่อ่อ่ควีนของราชินีของอังกฤษเนี่ยอ่าแล้วก็กมีพิธีในโบสถ์ด้นะสังเกตอะไรนฮ ะ, ะสรบันนี่เพียบเลยสรบันนี่เพียบเลยอืมอมทำาอะไรกันนะ เขาก็มีพิธีว่าว่าวางอะไรหรืออะไรของเขาเนี่ยในในข้อดกันในในที่อื่นในวังแมี่ยอะไรก็ไปได้นี่ทําไมต้องไปในโบสถ์ดีล่ะมันพิธีดังศา ส, ะสะนาไงพิธีทางศา ส, ะสะนานนนเรื่องเรื่องเนี้บางที <c oughs> ผู้นําประเทศหรือตัวแทนประเทศเนี่ยไปร่วมพิธีอะไรเนี่ยทําให้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้ทําได้อาจจะมีมุสลิมคนหนึ่งโซนะมี แม่ของเพื่อนเสียชีวิตแล้วก็มีพิธีในโบสถ์ก็ชวนชวนไปร่วมร่วมสวดมนต์ในโบสถ์โอ้ผมทำไม่ได้เ อ, อทำไมไ้ยงไงอ่ะหนูทูดคุณนุงณน่งกับทูดคุณนุ่งกับไปทูดคุณนุ่งกับนะแต่แต่เราก็คงไม่ไ ม, ไม่ไม่หวั่นเกรงในเรื่องนี้แล้วก็พยายามชี้แจงอธิบายชี้แจงอธิบายในทุกมิติพยายามทำทาเท่าที่ทำได้ อาจจะถูกมองว่าเป็นคน <c oughs> เก่งเกินไปเป็นคนแข็งเกินไปเป็นคนแกงกระด้างเป็นคนแต่เราต้องสบายใจได้เลยนะครับว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูดเดี่ยวในเรื่องนี้นี่คือหลักการศาสนาที่มีตัวบทรองรับชัดเจนมีทัศนะของอุลมะรองรับชัดเจนเราไม่ต้องวันไหวในเรื่องนี้เลยแต่เราอาจจะต้อง วันเกรงนิดนึงว่าเออเราจะอธิบายยังไงให้มันถูกวิธีอธิบายยังไงให้คนเข้าใจให้ดีเข้าใจและเห็นใจทีนี้บางทีเนี่ยมุสลิมบางทีเนี่ยเวลาอยู่ร่วมกับคนอื่นเนี่ย <c oughs> เราต้องมีเทคนิคในการซื้อใจเขาเพราะการที่เราไม่ร่วมในพิธีด้านศาสนามันอาจจะเป็นโอกาสน้อยที่เราจะ ร่วมกับเขาในกิจกรรมอื่นๆหมายถึงว่าในกิจกรรมที่สามารถร่วมได้กรรม็มักจะเป็นกิจกรรมที่มีพิธีทางศาสนาเพราะพิธีแต่งศาสนาเนี่ยเราไม่ร่วมอะไรเลยสแสดงว่าเราก็ถูกตีความว่าเราไม่เอาไหนเลยทีนี้เราก็ต้องหาทางจะทํายังไงจะได้ให้เขารู้เอาไม่ไม่ใช่นะไม่ใช่เราไม่ไม่เอาไม่ไม่เอาเขาเลยนะเราก็ต้องเราก็ต้องหาวิธีที่จะที่จะบอกกับเขาว่าเราเราช่วยเราเต็มที่เราเต็มใจ อันนี้คือสิ่งที่ท้าทายสําหรับมุสลิมที่อยู่ในในในประเทศในสังคมพระหัว ธ, ธรรมโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มชนส่วนน้อยมุสลิมก็มีหน้าที่นะถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างความเห็นใจแล้วก็เรียกร้องให้เกิดความความรักใคร่ระหว่างกันเรื่องศาสนานี่ ข้อแตกต่างในศาสนาเนี่ยก็จะไม่ทำให้เราได้ห่างไกลกันในเรื่องความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ความเป็นเพื่อนบ้านความเป็นพี่น้องร่วมชาติหรือนี้ทั้งหมดเนี่ยมุสลิมสามารถเชื่อได้และปฏิบัติตามได้นะครับวันนี้สั้นนิดนึงเพราะพรเหนื่อยเพราะปรับอากาศไม่ทันนะที่นู่นลบห้านะลบห้าองศาแล้วก็มาที่นี่มาเจอแดดในสาสิบองศานี่ ปั๊บไม่ทันเออแล้วก็มาเจอพวกนักแอร์นี่นักแกรนักชอบแอร์ทีนองมีคำถามไห ม, มจะมาซ้อนจะมา ค, คำถามคือทำได้ไหมแยกก่อนนะมีมัสยิดสองประเภทมัสยิดสัญจรมัสยิดสัญจร น, นี่ก็คือ ประชาชนทุกคนเนี่ยคนเดินไปเดินมาคนในท้องถิ่นไม่ใช่ต้องเนี่ยเขาใช้ละหมาดอันนี้ในละหมาดซ้อนได้ไม่ปัญหาพราพอจะให้ทุกคนเนี่มามาต้องยึดในจะมาของของมัสยิดเนี่มันค่นข้างลากยากเพราะมัสยิดนี่ก็อยู่ริมถนนอย่างเงี้ยใครไปมานี่เวลาไหนเขาอยากจะละหมาดจะห้ามเขาไม่ให้ละหมาดจะมาเป็นไ ป, นปนไม่ได้แต่มันจะมีมัสยิดชุมชนมัสยิดชุมชนนี่ก็คือไม่มีใครละหมาดนอกจากคนในชุมชน เมื่ในชุมชนเนี่ยทัศนิอุลามาส่วนมากเนี่ยไม่อนุญาตขั้นต่ำของเ้าเนี่ยทัศนะส่วนมากเขาบออกมักรุมมกรุมไม่ชอบที่จะให้ทำละหมาดยะมาซ่อนจะมาเหตุผลสําคัญก็คือถ้าทําละหมาดยะมาการละหมาดจะมาซ่อนจะมาเนี่ยมันจะทําให้การละหมาดยะมาเนี่ยไร้คุณค่าแน่นอน ยามาที่ท่านนาบีพูดถึงเนี่ยไมย่ทุกยะมายามาที่นบีพูดถึงก็คือยามารแรกยามาที่มีอิห ม, ม่ามยามาที่มีอาจานมีอิกรมาถ้าหากว่าทุกยามาเวลาไหนก็ได้ตลอดเวลาเนี่ยเป็นยามาที่มีผลบุญ น, นะนะโอ้โหอย่างงั้นสบายสิบางหมัดเนี่ยได้ยินเสียงอาจานอิกรมาคนละหมายกันแล้วเนี่ยช่างมันดี๋ยวนกระบไปเดี๋ยวก็มียามาของฉันรอให้คนละหมาดเอ ยิ่งในในมูกเกมที่มีคนไม่ชอบที่หน้าอิมาลเลี้ยมอิมาให้อิม า, มมามละหมาดกไปตั้งยะมากูจบเลยสิครับสักความศักสิทธิ์ของจะ ม, มหาหนี้ของอาจารย์ของอีกอมาของยะ ม, มาอันหนึ่งอันเดียวนี่ไม่มีเลยไม่มีเลยผมนี่เคยเจอนะมัสยิดมัสยิดสัญจรมัสยิดใหญ่มากที่กรุงไคโรนอยู่อยู่กลางเมืองเลยนะพวก ไปรถตู้รถเมย์อยู่ตรงนั้นหมดเลยนะแล้วคนนี่คือคนเขาคนทํางานราชการจอดแล้วก็มีมีห้องน้ําใหญ่มหาห้องน้ําห้องน้ําเยอะมากเลยคนกาก็ลงจะไปนู่นจะต่อต่อสายจะจะกลับบ้านจะไปทํางานนี่ก็ลงไปละหมาดผมนี่ตอก่อนจะไปอ่านอ่านคุรานที่มสัสยิดนั้นเริ่มตั้งแต่เที่ยงก็คือดูรีน่ะ ดูรีนี่ก็เที่ยงครึ่งอัสรีก็ประมาณสี่โมงนี่แหละตั้งแต่เที่ยงครึ่งย็นอัสรีนี่นะมีคนมาละหมาดดูรีจะมาตลอดอ น, นั้นจะมาสัญจรนี่พอเห็นใจคนมาจากทั่วสาริทุกสารทิศเลยนละห ม, มาดแต่ผมนี่มาที่นี่เนะี่ยที่บ้านเราเนี่ยมัสยิดชุมชนมีแต่คนในชุมชนเนี่ยก็เช่นเดียวกันผมเนี่ยติก้าระหว่างดูรีอัสรีนะตั้งแต่ละหมาดจะมาแรกเนี่ยย็นอัสรีนี่ก็ละหมาด จะมาคือจะมาเสร็จแล้วนี่ก็คนสุดท้ายนี่ก็มีคนมามาสะ ก, กิดให้เป็นจะมาพอไอ้ไอ้คนนี้เสร็จแล้วไอ้คนนี้ก็ยังยังมัสบุกอยู่เหลือยอยู่ก็มีคนมาสะ ก, กิดกันไปคนนี้เสร็จแล้วคนนี้อย่างนี้เนละ <laughs> ยอย่างนี้ตลอดเป็นชุ่วโมงเลยงี้ตลอดเลยนะผมงงก็เคยพูดในมัสยิดนั้นน่ะได้มีโอกาสตอนนั้น่ะพูดเขาก็ anyway, <laughs> แบบนี้แบบนี้เราก็จะไม่ให้เกียรติจะมาแรกเลยเลย จริงด้วยเฮ้ยจะมาเาจังๆมันเดืองกันละหมัดเมื่อไรก็ได้อันนี้คือเหตุผลหวลน้ามาส่วนมากส่วนมากนะในนั้นนึงคือมัศชาฟีแปลกนะแต่บ้านเรานี่ยมัศชาฟีอันนี้เนี่ยเขาไม่ปฏิบัติกันเนี่ยมัศฉาฟีเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติกันโอ้ละมาละมาจะะมาไม่ไม่ช่ไม่ซับซ้อนนะะยาหมาซ้ําซาก จะจะมาสมเหลาสาเหลาอืเจ้ามาเรานี uh um ่ที่แยกกันนะอันนี้จะมาซ้อนจะมาในมัสยิดเดียวเคยเห็นไหมมัสยิดซอนมัสยิดเน่ยนี่ไม่ใช่แยกจะมานี่เนี่ยแยกสุราเลยไม่ชอบอิหม่าไม่ชอบกรรมการนี้แยกสร้างสุราเลยเนี่ซ้อนมีซ้อนมัสยิดซอนมัสยิดเลยนะซอยเดียวกันนะ ถ้าไม่มีถ้าไม่เห็นกตาตานี่คงไม่เชื่อคือผมจะจะเชื่อเลยคือบ้านประเทศอาหรับเนี่ยคนเยอะจริงอะ่ะเพราะบางทีสร้างมสัสยิดเนี่ยนะมสัสยิดไม่พอคนเยอะจริงอะ่ะ <c oughs> เขาก็สร้างมสัสยิดในซอยเดียวกันอะ่ะเพราะไม่มีที่ที่จะขยายมสัสยิดเขาก็ต้องไปสร้างมัสยิดที่นู่นเนี่ยคือห้องใต้บ้านเขาก็สร้างมสัสยิดแหละแต่จะไปหาที่จะได้สร้างมสัสยิดรูไ้ไหมมีตงังค์หรอกมีทางก็เลยเห็นมสัสยิดเยอะแต่ว่าบางทีก็ละมหมัดฮาวัตูย่างเดียดละหมดัด มุส ล, ลยยนันเะียนะแต่มุส ล, ลนันอีเยอะแล้วบางทีนี่อาจารชนกันนะซอยเดียวสา ม, มสัสยิดสามสุเราอันนั้นนะ่ะประเทศอาหรับจริงคนเยอะจริงแล้วก็ที่แต่บ้านเรานี่นะทําไมละ่ละ น, นั่นคนเนี่ยคนก็ น, ก น, น้อยนิดใ น, นแค่เนี้ยนะแล้วมาซุโบนี่โอ้โหนี่ ม, มุมนี่เป็นจริงจกมากกว่าคนนะ่ะแตาทำไมถึงไป ส, มมส ร, ร้างมัสยิดใหม่อ <laughs> ะิงจกมันเยอะขนาดนั้นเลย ล้ก็ฟัดตัวาก็ไม่ได้นะคือมัสยิดใหญ่เขาก็แยกออกมาสร้างมัสยิดใหม่เขาก็บอกว่าเช็คมาคุดบ้านนะผมให้ขุดบ้านนี่มัสยิดนี่มันใกล้มัสยิดใหญ่นี่มุขุนละหมาดมุสลิมนี่ก็พอแล้วไม ma ah ่ต้องละหมาดจุมาอ่าเขาก็ไปหาอาจารย์คนหนึ่งอาจารย์เขาก็มามามาขุดบ้านให้เขาปีนึงอะนะครับมีกคนมนึงจากมัสยิดลูกเนี่ยแยกมาเป็นมัสยิดนี่ แล้วมาชวนผมมาบอกเขาขุดมาอีกแล้วอ่ะอีกแล้วอ่ะก็มันพูดอันแรกเนี้ยนี่นี่ถึงจะเข้าใจเหตุผลอรหรือจะมาส่อนจะมาอนี่มันสร้างความแตกแยกงในสังคมเราจะไม่เห็นความศักดิ์สิทธิ์ของความเป็นจะมาในมัสยิดเออเฮ้ยรีบรีบูีกว่าที่จะฮะก่อน คนคนที่เขาแข่งขันกันในเรื่องเขาไม่ได้แข่งขันในการทันจะมาทันจะมากับอิหมานี่คือทันตะฮิยาณะบ้านเราถ้าทันตาฮิยาณนี่คือทันทันจะมาใช่ปะไม่คนที่แข่งขันกันน่ะทันแต่ก็มีรยร้องกับอิหมาใช่ปะมียิ่งกว่านั้นน่ะทันก่อนอาซานน่ะอยู่ในมัสยิดก่อนอาซานคือจะได้ทันคือทันศาสนกิจตั้งแต่ต้นเลยอ่ะอยู่ในมัสยิดนีนมีน้ําละหมาดอันนี้เนี่ระดับสูง คนที่ทําแบบนี้เนะนี่ย ท, ที่ละรรมเนี่ยเชฟอุซามาบุลลาซีมเนี่ยคนดีคนละหมาดนานๆนั่นอันนั้นอนเรื่องนี้เ น, นี่ยนะแกสุดยอดเลยสุดยอดเลยอาจารย์ที่ไนะเคยนั่งนั่งรถกับลูกศิษย์เขาซึ่งเข้าพักที่บ้านเขาบอกว่าใกล้จะอาจารแล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวทนันเดี๋ยวทันที่บ้านผมนี่ทนันเขาบอกว่ามีจอดเดี๋ยวนี้เลยนะฉันในะชีวิตฉันเนี่ยไม่เคย อาจารเกิดขึ้นนี่นะและฉันอยู่นอกมัสยิดอาจารอาจารเกิดขึ้นในโซนแล้เขาอยู่นอกนอกมัสยิดเขาจะต้องอยู่ในมัสยิดตอนอาจารเดี๋ยวนี้เรนะจดเดีด๋ยวนี้เขาก็ไี้หามัสยิดไหนก็ได้เขาจะได้อยู่ในมัสยิดไปอาบน้ําละหมาดแล้วก็รับอาจารอันนี้เล่าให้เราได้ได้รู้เ อ, อมีมีของแบบนี้เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องปรำประรามันมีของแบบนี้จริง وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم سلام عليكم ورحمة الله علي و ن ي